พอกิเลสครับงำจิตได้จิตใททำงานไปก็สะสมเป็นอนุสัยไว้ความเคยชินฝ่ายชั่วพอกระทบอารมณ์นะความเคยชินฝ่ายชั่วปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาอีกนะกากิเลสก็เลยไปหล่อเลี้ยงอนุใสไว้อนุสัยก็หล่อเลี้ยงกิเลสไว้หมุนเวียนไปเรื่อยๆนี่เรามีสติขึ้นมาไปตัดวงจรมันขาดถ้าจิตปรุงกิเลสขึ้นมาเรามีสติรู้ทันไป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 ต่อไปแล้วคุณงามความดีไม่จะทำงานแทนความชั่วให้ฝึกไปอ่ะอุฟุ้งน้อยลงไหมคะดีขึ้นแล้วละค่นะแล้วก็จะขอกันบ้านหลวงพ่อไปทำมาคะ่ะอยู่กับปัจจุบันโดยบ่อยดูกายดูใจไปค่ะการภาวนาไม่มีอะไรมากกว่านั้นอ่ะเฉดมาหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปให้รู้ ไม่ใช่ให้ไปบังคับไม่ใช่ให้เพียงะให้รู้กายให้รู้ใจหนูยังรู้สึกว่าเวลาที่หนูคิดเนี่ยคะ่ะหนูจะถลําเข้าไปใช่มคะ่ะดีที่รู้ทันนะรู้ทันตรงที่จิตถลําเนี่ยจิตถลํำเนี่ ย, ลยหลวงพูดูลียกจิตส่งออกนอกถ้าเรารู้จิตที่ถลําไปจิก็ตื่นขึ้นมาอย่าดึงนะมันขึ้นมาเองห้ามดึงถ้าดึงแล้วแน่นเลยถ้าแน่นๆ่นแล้วทําผิดละ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 ใครเห็นจิตที่ตื่นตัวบ้างจิตตื่นตัวเตรียมจะต่อสู้จะต้องแย่งแล้วนะถึงเวลาจะต้องช่วงชิงแล้วรู้สึกไหมนะหลายคนนะพอบอกหลวงพ่อจะเจยกันบ้านแล้วก็ทำตัวแบบนักวิ่งจะเข้าเส้นสตาร์ทภาวนาเนี่ยอย่าติดครูบาอาจารย์มากพึ่งตัวเองให้เยอ ะ, ะครูบาอาจารย์มีอยู่องค์เดียวพวกเรามีตั้งหมื่นเนี้ย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 ฟังทำไมไม่เคยฟังสักแผ่นเลยดีใจใหญ่เนี่ยหนูไลฟ์ซีดีแผ่นยี่สบแผ่นนักแจกไปเยอะแล้วไม่ได้เจตนาให้เขาฟังทำนะนะให้เขาฟังเสียงหนูนะออย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ฝึกนิสัยอ่อนแอนิสัยที่ไม่ใช่ชาวพุทธที่มุ่งขัดเกลาตัวเองจริงๆเราสู้เอานะสู้เอา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 ไปดู อ, อย่างนั้นแหละร1อยสิบสองีนะไปฝึกเอาปีหนึ่งได้ขนาดนี้ก็เก่งกับกาวสัมมาสัมพุทธเจ้ค่ะฟังซีดีหลวงพ่อค่ ะ, คะแล้วก็ปฏิบัติรู้สึกว่าจะรู้สึกเวลาอารมณ์แรงๆงจะรู้สึกอะค่ะแต่ว่าใหม่ๆก็รู้ของแรงๆก่อนค่ะนะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะรู้กาย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 ชิงเช็คขี้เกียดรู้กายรู้ใจพราะรู้กายรู้ใจแล้วมันเห็นแต่ทุกข์ความหนีไปอยู่ที่โล่งๆว่างๆเลยสบายอย่าไปติดตัวนี้นะอดทนเนาะเรียนรู้ทุกข์ไปร้อยสิบกราบนมำมศการพระอาจารย์ค่ะคือว่าโยมได้เออ r รีไทยออกจากราชการเมื่อวันที่หนึ่งที่เมื่อวานนี้นะคะวันแรกทีนี้โยมก็วางแผนไว้ว่าวันที่ยสิบหตุลาค่ะจะไป บวชเป็นสา ม, มเณรีที่เชียงใหม่ค่ะจึงวันนี้ก็เลยมากราบพระอาจารย์ขอเมตตาคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะพัฒนสติไปนะบวชก็ไปบวชไม่เป็นไรแต่ว่าตัวสําคัญนะภาวนาให้เป็นนะหลวงพ่อเห็นภิกษุณีสา ม, มเณรีอะไรไม่ค่อยภาวนาบางทีเที่ยวมวดแต่วิ่งไปวิ่งมานะไม่ดีครับขาดภาวนาะอย่ากดนะอย่าเพ่งให้รั่วเอาซีดีหลวงพ่อไปเป็นเพื่อนน ะ, ะฟังไปเรื่อย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 ดีขึ้นนะแต่ตอนนี้จิตสว่างเจ้าออกมารู้สึกไหมค่อะอนี่เจ้าเกินไปนะไปประคองมันไว้แล้วมันเจ้าออกมารู้สึกไหมเมื่อกี้นะประคองไว้อีกเนี่ยขณะนี้รู้สึกไหมใจมันซึม ซ, มซึมนิดหนึงน่งดูงงงออกไหมใจไม่ใช่ตัวจริงของเราตัวจริงซนกว่านี้นึกออกไหมตัวนี้มันเรียบร้อยไปนิดหนึ่งนะป ล, ปล่อยเอาตัวซนซออกมาแล้วตามรู้มันไป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 จริงๆเหมาะกัดู ก, กายนะดูกายแล้วจะเห็นจิตชัดขึ้นคเห็นไหมร่างกายพยักหน้ารูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจิตที่ตื่นตัวเนี่ยเนี่ยคือจิตที่ตื่นละเห็นไหมพอเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วยจิตก็ตื่นขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่ละตัวตนี้เพ่งละนะจงใจเข้าไปดูผิดนะเห็นไหมร่างกายมันเม้มปากร่างกายมันประงกหัวไปมา รู้สึกดได้ง่ายกว่าใจค่ะไปดู ก, กายเลยถูกเฉิตจะดู ก, กายนะาารเราเป็นตันหาเฉลีด่ดู ก, กายไปรักสุกรักสบายรักสวยรักงามเนีย่ยรู้สึกไหมเรารักสวยรักงามรู้สึกค่ะนั่นแหละไปดู ก, กายไว้ร้อยสี่สิบสามหลวงพ่อือนวัตการค่ะจะถามว่ามันมันยังอึดอัดอยู่ด้วยอะค่ะกลัวไปแล้วมันจะยิ่งแน่นกลับมาค่ะอย่าไปภาวนาด้วยความโลภ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 <G ül> แล้วเราอย่างงี้ไปอยู่วัดไม่ต้องไม่ต้องทําในรูปแบบเยอะใช่ไหมคะหลวงพ่อให้ไปทำงานนะถ้าคุณไปอยู่วัดแล้วคุณไปตั้งหน้าตั้งตาทําในรูปแบบนะจะเพ่งกลับมานะ <G ül> พระตั้งใจจริงแล้วเดือนนี้ยฉันจะสู้ตายแล้วสละชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วกลับมาเป็นนักเพ่งเป็นบูชาฤาษีมาเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเ <G ül> นี่ยแน่ตั้งเยอะแล้วนะ <G ül> <G ül> <G ül> <G ül> เอาไปทาําเมาหลวงพ่อคะแล้วหนูทํากรรมกับแม่ไว้เยอะมากเลย ก่อนไปต้องขอขอมากนไปขอขอมาแม่ก่อนนะต้องคิดอย่างนี้นะว่าเราไปคราวนี้เราอาจจะตายก็ได้นะหรือแม่อาจจะตายก็ได้เห็นไหมไม่มีโอกาสแล้วงั้นไปบอกนะว่ารักแม่นะแล้วไปขอ ข, อขอมาแม่อะไรที่อยากพูดกับแม่รีบไปพูดซะก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาแตงแหน่วแตงแงน่งงวหลวงพ่อช่วยบอกแม่หนูหน่อ ย, อยไม่เอาอะไปบอกกันเองก่อนนะ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 ไม่ใช่เคลื่อนไหวเพื่อบังคับจิตจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะไม่งั้นพลาดขอบคุณค่ะเก้าสิบสองอยู่ข้างหลงังใครรักแม่ก็ไปบอกแม่หนะ้ไม่ต้องรอให้ตายแล้วมาจุดทูบบอกยังกระทูบเป็นเครื่องมือสื่อสารเนะีนะ่ยกลาวนมัสการหลวงพ่อนะครับคราวที่แล้วที่ผมส่งกัรบ้านนี่หลวงพ่อบอกว่าให้ไปขยันนะครับ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 ถึงวันหนึ่งมันพอนะปัญญามันก็ตัดสินขึ้นมาว่าทุกอย่างเกิดระดับไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรครอก <นะ S 1> ดีภาวนาอีกคขอบคุณครับอซิกนี้บ้างยกเว้นทีมกรอตอรวมทั้งพวกที่นั่งด้วยนะเบอร์อะไรร้อยเกสบอเอาย่อๆนะพวกเราอย่าคุยยาวให้หลวงพ่อคุยยาวคนเดียว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 จะไปพอนาเองอีกหนึ่งเดือนพอนาดีนะพนาใช้ได้แล้วใจตื่นขึ้นมานมีอะไรอีกไหมเนี่ยหลวงพ่อตอบให้หมดเลยเพราะเขาพูดมาหลวงพ่อไม่รู้เรื่องหลวงพ่อเลยรีบตอบไห้ก่อน<ม>อ้าวร้อยแปดสิบสี่พอดีจะถามให้คุณแม่ค่ะพ อ, อะดีคุณแม่ฟังซีดีมาสักระยะหนึ่งแล้วะคะ่ะคุณแม่อยู่เนี่ยค่ะไหน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 รู้สึกไหมมีความสุขขึ้นตั้งเงยอะล้ใช่ค่ะพอ ท, ทุกุครั้งเวลา เ, ออเริ่มอ่านจิตตัวเองออกก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีสุขขึ้นฝึกไปนะแลวชีวิตจะดีขึ้นขอบคุณค่ะคนข้างๆเราเนี่ยเขารู้ตัวบ้างไหมว่าเราเปลี่ยนไปค่ะเราเห็นค่ะดีะเราทำความดีนะเขาเห็นวันหลังเขาก็อยากภาวนาบ้างค่ะร้อยสี่สิบห้านี่อยู่ทางนี้ข้างหน้าเลย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 หลวงพ่อมีอะไรใช่ไหมเพิ่มไหมครับไปดูอีกนะดูด้วยความสบายใจนะอันนี้ยมันเคร่งเครียดไปอ๋อครับนะแล้วที่ทําสมาธิทุกวันนี้ใช้ได้ไหมครับทําให้ดูหน่อยสิยไม่ได้แน่เลยไม่ถูกนะเริ่มเป็นผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละนึกออกอยั ง, ม, งมันดัดแปล ง, ม, งมันไม่ใช่รู้สบายๆมันเข้าไปบังคับเข้าไปแทรกแสงถ้าฝึกแล้วโมหะจะมากขึ้นถึงได้ซึมไงอ๋อครับนะ ซึ่มมาเกิดจากไอตรงที่ทำอย่างนี้แหละโอมงั้นก็รู้จิตไปแทนครับต่อไปร้อยเก้าสิบสามมัศการหลองพ่อครับก็ปัจจุบันก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นนะนะฮะก็พยายามใช้เวลาช่วงเย็นกลางคืนแต่ช่วงเช้าพยายามหลายครั้งแล้วไม่ค่อยสาเร็จ<ช>ไม่ค่อยตื่นขึ้นมาทํช่วงเช้าไปทำงานใช่ไหม ใช่ครับเนี่ยเรานั่งรถไปก็คอยดูไปกระสับกระสายไปอย่างงี้ครับก็อยากจะสอบถามหลวงพ่อเหมือนกันว่าภาวะจิตจดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นสินะจิตมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกครับจิตตั้งมั่นมากขึ้นมีแรงมากขึ้นแต่ว่าอย่าให้มันนิ่งนะก็คอยปล่อยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวไปดูมันทํางานไปถ้าจิตมันเกิดนิ่งนิ่งขึ้นมาก็ม า, มาดูไกาย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 ถ้าเกิดจิตไม่ยอมทำงานจิตไปอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆนะก็มาดูกายไวนะ้เห็นกายเคลื่อนไหวไป<ก>เดี๋ยวสักพักจิตเขาเคลื่อนเดินจงกรมอะไรนี้ไปใช่ไหมครับเดินไปสบายๆนะอย่าจริง <c oughs> จังนะคุณจะอย่าจริงจังมากไป okay, สม่ำเสมอทำสม่ำเสมอแต่ไม่จริงจังร้อยยี <12 9. S 2> ่สิบเกา้านบประักดิ์นะครับหลวงพอ่อเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับ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 ที่ oh. ทำอยู่ดีละครับคอมครับไลทเจ็ดสิบเก้ากราบนมัสการหลวงพ่อ hmm. ค่ะเออเวลานั่งสมาธิเนี่ยบางทีเหมือนหูมันดับไปข้างหนึ่งอะค่ะเอออย่าให้ดับสองข้างก็แล้วกันยังเหลืออยู่แต่ว่านนข้างหนึ่งเหมือนเหมือนมีเสียงอยู่เสียงหนึ่งอะคะ่ะเสียงเสียงมแมลงตัวนี้จะดังตลอดแล้วพ อ, อนั่งนั่งไปบางครั้งเหมือนจิตมันนิ่งก็มาดูกายค่ะ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 ตื่นเต้นก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะห้ามไม่ได้หรอกตื่นเต้นก็คือว่าไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณส<ม>ิบเดือนเนี่ยค่ะก็ระหว่างที่ระหว่างสิบเดือนมาเนี่ยก็มาวัดแล้วก็มีโมเมนต์ที่อยากส่งกันบ้านแ้วก็ไม่มีโอกาสได้ส่งก็เหมือนกับว่าปัจจุบันนี้อย่างวันนี้ค่ะก็ใจเป็นกลางมากขึ้นว่าไม่ส่งก็ได้ถูกต้องนะที่ภาวนามก็ดีขึ้นหละรู้สึกไม้มใจเราเบา สบายๆอะไรเกิดขึ้นยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอาอรู้เอาแต่ตอนนี้ไม่ได้ล้วตอนนี้กดไปและคือ <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทําในรูปแบบอค่อนข้างมีวินัยอะค่ะคือเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงแล้วเห็นว่าใจมันตั้งมั่นขึ้นมามเด่นดวงขึ้นมาเลยนะคะ แล้แต่ว่าช่วงเนี้ยเนื่องจากว่าพอมันค่อยๆตามใจกิเลสทีละนิดทีละนิดเนี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยรู้สึกอ่อนแออไปทําในรูปแบบนะสม่ําเสมอต้องสู้เอาอย่างตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันรู้อยู่นอกๆถูกใช่แล้วแรงไม่มีแรงไม่มีค่ะแรงมันอ่อนไปคือวิธีแก้คือหนูไม่แน่ใจว่าที่หนูทําในรูปแบบคือเป็นเป็นโซลูชันของหนูหรือว่าเอ่อหนูใช้อะไรรูปแบบน่ะใช้ในรูปแบบใช่ไหมคะฮะ ใ ช, ช, ช้หลวงพ่อแนะนําว่าให้เดินแล้วไปเดินจงกรมนะเราเห็นร่างกายมันเดินเดินไปเห็นกายมันเดินเดินไปเห็นจิตมันแอบไปคิดฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะมีวินัยนะแล้วจะดีเรามีอยู่ช่วงมีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะคือเมื่อมาหลายเดือนก่อนแล้วจิตเขาเขารู้สึกว่ามันทุกอะคะ่ะคือโลกนี้ทุกโมเมนต์มีแต่ความทุกข์ที่ออรุนแรงนั่นแหล ะ, ะ, ะมันคือความจริงล่ะ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 ประมาณปีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรถเช้าเย็นนะครับแล้วก็ตามรู้ช่วงแรกๆก็จะมีกดคิดว่ากดจนแน่นก็แต่ช่วงหลังๆก็ดีขึ้นเอก็มีรู้ว่ากดบ้างรู้ว่าคิดหลงบ้างหลงเยอะขึ้นในช่วงหลังนะครับดีก็จะอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันมันพอไปถูกใช้ได้แล้วนะภาวนาได้ดีแล้วเราต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมทาสม่ำเสมอไหมครับขอบคุณครับสี่สิบหนึ่งนามัสการหลวงพ่อค่ะ คือหนูเป็นคนคิดมากนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเละเทะค่ะแต่ว่าก็รักสวยรักงามด้วยะคะ่ะก็เลยอยากจ ะ, ะเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูควรจะดูอะไรคะ่ะมีอะไรให้ดูก็ดูนั้นแหละมันมันจะหลงบ่อยอะคะ่ะบางทีหลงไปทั้งวันเลยคืออยา่างที่น ะ, ค, ะคือใจเราเนี่ยเวลาหลงแล้วหลงรุนแรงะนะเวลาหลงแล้วมันจะกระโจนไปละในโลกของความคิดอย่างแรงเลยค่ะ เพระเราพยายามรู้สึกตัวนะอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้ค่ะพุทโธพุทโธแปประจิตแอบไปคิดแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะค่ะพุทโธนะคะอถ้าใจไม่เอาพุทโธชอบอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยคือบางทีคือเคยภาวนาในรูปแบบพุทโธสักพักมันก็จะเดี๋ยวมันก็ไปดูท้อแต่มันก็มาพุทโธหรืออีกทีมันก็หายไปเลยอย่างนี้ค่ะอ๋องั้นต้องเคี่ยวเข็มันหน่อยพุทโธไปเรื่อยๆ ต้องพุทโธนะคะเราเวลาใจฟุ้งซ่านมากนะก็พุทธโธเร็วๆค่ะเวลาใจเริ่มสงบลงก็พุทโธช้าๆพุทโธนี่หมายถึงดูดูดูกายหรือเปล่าคะหลวงพ่อหรือว่าไม่ใช่บริกรรมไหมให้บริกรรมพุทธโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมภาวาพุทโธไปแล้วก็รู้ว่าจิตหนีไปแล้วหมายถึงว่าทั้งในรูปแบบแล้วก็ทั้งในชีวิตประจําชั่วโมใช่ในชีวิตประจําวันพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะหนู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 ดูไปเรื่อยเห็นแม่ไม่ทํางานได้เองค่ะดีค่ะอคนต่อไปกรรมนรสกาศหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยบอกว่าติดเพ่งครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะครับขึ้นแล้วแล้วก็ตามรู้ว่าหลงไปคิดได้บ่อยขึ้นนะครับดีดีแล้วมีอะไรติดขัดอีก่ไหมครับไม่ติดหรอกแต่จิตตอนเนี้ยไม่ตั้งมั่นหรือบอกไหมจิตมันวิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยครับใช่ไหมมันไม่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราครับนะ ให้รู้ทันว่าจิตออกนอกรู้เฉยๆอย่าดึงคืนคนะกันบ้านแค่นี้นะครับโอ้แค่นี้เยอะแล้วก็จิตจิตเนี่ยมีธรรมชาติออกนอกนะไหลไปตลอดเลยไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเวลาปฏิบัตินะก็ไหลไปจ้องหรือไหลไปกวานหาเคยเป็นไหมไหลลงไปกวานว่าจะดูอะไรดีมาเจอเนี้ปุ๊บก็ไหลไปจ้องเอาไว้นิ่งๆรเรารู้ทันจิตที่ไหลไปได้นะ้าภาวนาได้เยอะเลย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 ของคุณโดยตัวเองนั้นขี้โมโหนะโดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นคนขี้ขี้โมโหแต่ว่าอาจจะไปเพ่งจนมันนิ่งก็ได้ถ้าไม่เพ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเคยดูดีจะโมโหโมโหแล้วมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สึกไหมเวลาโมโหบางทีชอบไปเอาเรื่องคนใช่ค่ะวันนี้ก็ไม่หลอกหรอกอันนี้ก็จะก็จะเหมือนกับกลัวเองจะทําไม่ดีกับเขาถือศีลห้าไว้ก่อนไงที่หรวงพาอบอก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 ดํินมตรการหลบพ่อนะคะคือมาส่งกลรบ้านครั้งแรกพ่อบอกว่าเน้อมไปอ่ะค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามว่าตอนนี้เนี่ยปฏิบัติได้พอจะถูกทางไหมคะดีขึ้นนะรู้สึกมั้มใจเรารู้เนื้อ ร, รู้ตัวมากขึ้นโปร่งโลง่งเบามากขึ้นนะคะดีค่ ะ, คะตามดูเล่นๆแต่นนะแต่อย่าน้อมใจอยู่ในความว่างๆนะ ค, ะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยๆอย่าไปติดในความสุขความสบายซะก่อนค่ะ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 แต่ละวันเราก็ลืมกายลืมใจตลอดเวลาถ้าเรามัวแต่สนใจในโลกภายนอกนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะค ะ, อะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะก็หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อก็พยายามที่จะรู้กายรู้ใจมากขึ้นน่ะแต่ก็มีปัญหาในการที่ปฏิบัติในรูปแบบเช่นนั่งสมาธิหรือว่าอะไรจะเพ่งบังคับอะค่ะ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 ของคุณยังวนเวียนอยู่คิดว่าทาแบบนี้ถูกหรือทําแบบนี้ถูกมากกว่าหรือทํายังไงจะถูกที่สุดมันมีคาว่าทำอยู่ ใ, ให้รู้ทันใจที่อยากทำไปนะท้านนั้นแหละปฏิบัติเสร็จแล้วขอบคุณค่ ะ, ะไปได้อีกคนหนึ่งสองคนกรรมในมิสการหลวงพ่อค่ะพอดีว่าตัวเองรู้สึกว่า ก, กิเลสตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้เราไม่เราพยายามจะละว่าเออเราบอกว่า เรารู้ว่านนี้เราเป็นกิเลสนะแล้วเราก็ไม่ชอบพอเรารู้ว่าเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยก็พยายามจะมองให้มันเป็นกลางว่าไม่ชอบแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยพอเรื่องอื่นผ่านเข้ามาปุ๊บมันก็จะลืมเรื่องนี้ไปแล้วสักพักก็จะกลับมาจะกลับมารู้อีกว่าเออมันไม่ชอบอีกแล้วก็เลยพอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เลยมันนึกว่าเออน่าจะมีวิหารธรรมของตัวเองก็เลยกลับมาที่ลมหายใจพอกลับมาที่ลมหายใจพอกิเลสมาปุ๊บ แล้วก็กลับมาที่ลมหายรือว่าไม่ชอบแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจพอกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยมันก็เหมือนกับมันไปกดแล้วเพง่งเอาไว้อ่ะค่ะอื ม, มันก็เลยจะสึกว่าเอ๊ะรู้สึกเราเพ่งหรือเปล่ า, าลอ่ะเพ่งอันสิคือกิเลสมานะกิเลสผ่านมาเรารู้สึกตรงที่เรารู้เนี่ยเราจบงานของวิปัสสนาละตรงที่เราไม่ชอบเราไม่ทันเห็นว่าไม่ชอบนะเราไปดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจตรงนี้เราสร้างพบขึ้นมาใหม่เราปรุงแต่งงานใหม่ขึ้นมาละใจสงสยัยทราบไหม ให้รู้ทันอย่างเนี้ยใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ใจเนี่ยใจลอยไปแวบหนึ่งรู้สึกไหมรู้สึกเนี่ยให้คอยรู้ไปอย่างเนี้ยแสดงว่าไม่ไม่ต้องดึงกลับมาที่วิหารแล้วอย่าดึงนะแล้วก็แค่จบแค่รู้ว่าจบเราเราหายใจไปหายใจเล่นๆไปนะหายใจแล้วพอใจลอยก็แค่รู้ว่าใจลอยอย่าดึงคืนมานะก็เห็นเลยความใจลอยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จบไปแล้วล่ะตรงที่รู้ว่าใจลอยตรงนี้ไม่ใจลอยละ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 แล้วคำว่าตั้งมั่นกับไม่ตั้งมั่นนี่คือมันต่างกันมันไม่ตั้งมั่นเหมันฟุ้งซ่านไปมันหลงไปมันไหลไปอย่างตอนเนี้ยไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเห็นนั่นแหละคือไม่ตั้งมั่นอยัดประคองให้ตั้งมั่นแค่รู้ว่าไม่ตั้งมั่นแค่นั้นพอแล้วมันตั้งเองเมื่อไหลไม่ฟุ้งไปแมันก็ตั้งมั่นจงใจให้ตั้งมั่นนะกลายเป็นตั้งแล้วแน่นๆขึ้นมาใช้ไม่ได้แล้วใจเอจิตถึงฐานไหมคะตอนนี้ไม่ถึงหรอก จิตมันอยากพูดใชมันอยากได้คำตอบมันตื่นเต้นใช่ไหมมีหลายตัวเลยแล้วเราไม่เห็นมันขอบคุณค่ ะ, ะคนอื่นมีบ้างไหมก็เราต่อเยอะแล้วได้อีกคนหนึ่งเบอร์สี่สิบหกเชิญ4ี่สิบหกแล้วก็ร้อยห้าสิบห้าแล้วก็กลับบ้านได้งาบนรมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ปฏิบัติได้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 ถ้าจงใจไปทําอะไรขึ้นมามันก็โมโหไปหมดเลยแล้วกลางคืนนิยมเดินนั่งครั้งละครึ่งชั่วโมองอย่าเงี้ยแล้วก็ดูจิตไปเลยหรอคะคือไม่ต้องนั่งก็ได้นะทํางานอะไรไปก็ได้ทํางานบ้านไปก็ได้แล้วก็ดูใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าจงใจปฏิบัติมากๆแล้มันเครียดขอบพระคุณจะค่ะร้อยห้าสิบห้าคนสุดท้ายดีใจไม่เห็นว่าดีใจเห็นไหมล่ะอืม ค่ะกลานมัสการลูกได้ปฏิบัติมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะคะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะอยากจะกลาวเรียนถามหลวงพ่อว่าสภาวธรรมที่ลูกทมอยู่นี้ถูกต้องไหมคะเห็นไหมใจเราไม่เคยคงที่เลยดู อ, อกไหมมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมรเราไม่พอณนาะให้คงที่นะอย่าไปเพ่งให้นิ่ง นนปล่อยปล่อยให้มันทำงานตอนเนี้ยเพ่งตอนนี้ยังเพ่งยังนิ่งยังมีตัวนิ่งนิ่งอยู่ในใช่มีตัวนิ่งนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วที่เคยไปปฏิบัติที่กฟพ์นะคะวันสุดท้ายเนี่ยได้ไปเห็นร่างของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเท่าค่ะที่วันนั้นหลวงพ่อทากันนะคะเราก็เหมือนมีคนมาสะกิดที่เท้าอ่ะค่ะล<อ>แล้วเราต้องทำยังไงค่ะดูใจไปใจกลัวก็รู้ไปค่ะพยายามรู้ตัวให้มากๆากนะ <C> e ใจเรายัางล่องลอยไปพยายามรู้สึกตัวเห็นไหมเมื่อกี้ตรงที่พูดคำว่าแล้วจิตหลงไปเลยน <C> e พยายามรู้สึกตัวเห็นไหมร่างกายพยักหน้าคอ <C> e ย, ายารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆนะค <C> e ่ะใจของคนมันยังฟุ้งง่ายอยู่คอรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจ <C> e คือค่อนข้างเครียดมากกับกับงานนะคะ บ, <C> e บางคร <C> e ั้งก็รู้ว่ากโกรธเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะไม่ได้ห้ามห้ามไม่ได้ รู้แต่ว่าก็ระงับไม่ได้ค่ะไม่ได้ระงับรู้เพื่อให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้การที่ระงับไม่ได้นั่นแหละความจริงละค่ะแล้วแล้วตอนนี้คือปฏิบัติในรูปแบบนะคะตอนเช้ากับตอนเย็นแต่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างคือบางครั้งก็ไม่มันเหมือนมันดูอะไรไม่ได้เลยอย่าน้อมใจให้ซืบๆไปนะเมื่อกี้มันน้อมใจให้เลื่อนๆลอยๆไปอย่าให้ใจเลื่อนลอยพยายามรู้ตัวให้ชัดๆไว้นะ ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูเรื่องหลงอ่ไอ้จะโกรธนะค่ะเหมือนโกรธที่ทํางานดูแบบนั้นใช้ได้ไหมคะได้โกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้นะเห็นจิตมันโกรธจิตโกรธแต่ปากยั ง, งว่าเขาต่ออยู่ใหไม่ดีต่ <c oughs> อแล้วว่าต้องถือศีล <c oughs> ต้องรู้ทันนะถ้ามีสติจริงอมันไม่ร้นออกมาทางปากหรอกอาเชญกลับบ้าน